กราบหลวงพ่อคำเขียนที่เคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสจากหลวงพ่อ ก, มกลมครับพระอาจารย์มานพพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์โน้ตพระอาจารย์สุรินขอโอกาสจากพวกเราเพื่อนซาธรมิกแล้วก็เจริญพรยังแม่ชอีอุบาสิกา ก็เล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังเจอหลวงพ่อครั้งแรกเลยนะหลวพ่อก็ถามว่าเคยนอนฟรีๆไหมตรงเนี้ยเป็นคำที่แบบว่าเป็นคาแรกที่หลวงพ่อพูดให้ฟังโอ้พระรูปนี้แบบว่าพูดทันสมัยเนาะ ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจมากๆากเพราะเนื่องจากว่า1นึท่าทีของหลวงพ่อเนะาะท่าทีของหลวงพ่อก็เป็นท่าทีที่สบายๆคาถามของหลวงพ่อที่ถามมาก็เป็นคําถามที่แปลกหูมากมากก็คําถามตรงเนี้ยก็เป็นคําถามที่หลวงพ่อก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าเวลาที่ผ่านมา เรานอนแบบว่านอนแบบฟรี่มาตลอดคือนอนแล้วแบบว่าไม่เคยมีคุณภาพของการนอนนอนแล้วก็เหมือนกับเสียเวลานอนไปปบป่าฟรี่อย่างนี้นะอย่างนั้นไม่ matter จะนอนแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงจะนอนตั้งแต่เด็กจนโตห อ, อะไรก็ตามเพราะเนื่องจากว่าเราไม่เคยตั้งใจตั้งใจที่จะนอนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่กอก็บอกบอกว่า เนี่ยลองทำดูนะลองทำดูในวันนี้ลองตั้งใจนอนแล้วก็ลองวางเรื่องราวต่างๆเนาะที่เราเหมือนกับอยากเก็บเอา เ, เ, เรื่องนู่นเรื่องนี้มาคิดตอนนอนเนี่ยวางไปเลยวันนี้เราทำอะไรเต็มที่แล้วเนี่ยวันนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อก็บอกเนาะบอกวิธีการนอน เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ยังบอกอีกนะว่าเวลาตื่นอะถ้าเกิดว่าตื่นมากลางคืนยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่เวลาตื่นเนี่ยก็แบบว่ารีบหลับนะอย่าไปเอาเรื่องอะไรต่างๆนานามาคิดเนี่ยหลับแบบว่าก็ให้รีบหลับเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาเช้าเนี่ยที่เราควรจะต้องตื่นเนี่ยเราลองสังเกตตัวเองมาถ้าเกิดว่า การตื่นครั้งนี้เป็นการตื่นที่ไม่ได้เป็นการปวดท้องฉี่ไม่ได้เป็นอาลัตานาน า, นานเหล่านี้เนี่ยตรงนั้นนะเรียกว่าเรานอนเต็มที่แล้วนอนอนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าก็ได้ลองทำดูนะได้ลองทำดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืนนั้นก็เป็นคืนที่เรามีนความรู้สึกว่าหลับอย่างมีคุณภาพที่สุดในชีวิต ตอนนั้นก็เจอหลวงพ่อก็อายุสี่สิบนอนฟรีๆมาสี่สิบปี <c oughs> ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นความประทับใจมากๆเนาะแล้วก็พอเวลาที่เราได้มาอยู่กับหลวงพ่อได้มาเหมือนกับได้เห็นท่านทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยเราก็เห็นท่านก็ ได้ปฏิบัติอย่างที่บอกแบบนี้หลวงพ่อก็พูดเสมอเสมอว่าหลวงพ่อพูดในสิ่งที่หลวงพ่อทําหลวงพ่อทําในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราก็จะเห็นนะว่าเวลาที่หลวงพ่อจะนอนไม่ว่าจะเป็นหลับหรือเป็นตื่นเนี่ยนะก็ดูงดงามงดงามตลอดอย่างเนี้ยนะการที่เราคอยเติมความรู้สึกตัวไปกับ การที่จะนอนก็ดีการที่เราเติมความรู้สึกตื่นไปกับการที่เราตื่นก็ดีตรงนี้มันทําให้ก็เรียกว่าเห็นภาพของหลงพ่อเนี่ยเป็นภาพที่เป็นภาพที่งดงามต้องเรียกว่างดงามทั้งหลับทั้งตื่นนะเพราะว่านั่นคือตรงนี้หลวงพ่อก็เวลาที่ไปกรุงเทพกลับมา หลวงพ่อกลับมาถึงกุดหลวงพ่อก็จะบอกถึงบ้านเรแล้วถึงบ้านเราแล้วแล้วหลวงพ่อก็นั่งรถจากกรุงเทพมามาที่วัดนี่ต้องเรียกว่าหลวงพ่อหลับในรถนี่น้อยมากๆนะนั่นนึงคือพอหลวงพ่อถึงถึงกุดปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็จะกุลีกุจอที่จะส่งน้ํำส่งน้ําเสร็จหลวงพ่อก็จะเตรียม เตรียมที่จะนอนหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อนอนก่อนนะหลวงพ่อนอนก่อนนะนก็หลวงพ่อก็จะจัดแจงที่นอนของตัวเองนะอย่างนั้นอย่างเรียบร้อยเวลาที่ไปไหนๆก็หลวงพ่อเนาะอย่างเวลาที่เป็นห้องเป็นหับที่มีการจัดไว้ให้ที่ไม่ใช่เป็นกุฏิหรือว่าไม่ใช่เป็นสถานที่ที่อยู่ในวัดนี้ หลวงพ่อก็จะเอาผ้าอับน้ําเนาะผ้าอับน้นําปูหลวงพ่อบอกว่าผ้าที่เขาปูเอาไว้ไม่ใช่ผ้าของพระหลวงพ่อก็จะเอาผ้าอับน้ําปูปูเป็นที่นอนปูเป็นผ้ารองนอนก่อนบางครั้งที่นอนสู ง, สงหลวงพ่อก็จะไม่นอนนะหลวงพ่อก็จะลงมานอนที่พื้นข้างล่างอย่างนี้ก็หลวงพ่อก็จะนอน ปูเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เวลาที่หลวงพ่อนอนหลวงพ่อก็จะนอนแบบไม่กระดุกกระดิกคำคำว่าไม่กระดุกกระดิกคือไม่ไม่ดิ้นนะไม่ใช่ไม่กระดุกกระดิกนี่หมายถึงนอนหลับเป็นตายเลยออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอย่างนั้นก็จะนอนเป็นนอนไม่ดิน้นบางครั้งผ่านไปห้าชั่วโมงเนี่ยเราก็พบว่าหลวงพ่อก็นอนอยู่ในท่าเดิมอยันนี้ เราเคยสังเกตกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเวลาที่เรานอ น, อนกันเนี่ยบางครั้งประมาณ5้าชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยเราที่เรานอนแบบหลับดีๆเนี่ยบางทีอิริยบทเาก็อยู่ในอิริยบทเดิมตลอดอย่างเงี้ยอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเห็นเนาะเห็นหลวงพ่อมาตลอดมีช่วงที่ช่วงที่ ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าโรงพยาบาลปี49เนาะช่วงนั้นหลวงพ่อนอนจะมีการกลนก็การกลนนะก็น่าจะเป็นส่วนของการที่หายใจไม่สะดวกเนาะทำให้กลนซึ่งพอเข้าโรงพยาบาลปี49หลวงพ่อก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณบริเวณรอบๆคอเนาะ บริเวณที่เกี่ยวกับเรื่องของการหายใจซึ่งเหมือนกับคราวนี้เพราะนั้นนั่นคือตรงนั้นก็เป็นได้ยินเสียงหลมเพ่ากลนเนี่ยก็ถึงวาระที่เข้าลงพยาบาลพอเหมือนกับว่าออกมาจากห้องไอซให้เข็มให้คีโมโเข็มแรกเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ยินเสียงกลนอีกเลยหลมงพ่อก็จะนอน ถ้าหลวงพ่อบางวันเนาะที่หลวงพ่ออาจจะมีการหายใจติดขัดบ้างอย่างเนี้ยเนาะหลวงพ่อก็จะมีเสียงกลดพอนมีเสียงกลนสักครืดคลาดสักครั้งสองครั้งนะ้ำหลวงพ่อก็จะเหมือนกับรู้ตัวแล้วก็ปรับอาจจะปรับระบบหายใจปรับท่าทางอะไรนิดๆหน่อยๆก็เสียงกลดก็จะหายไป ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นเห็นภาพนี้มาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะเข้าโรงพยาบาลครั้งใหม่ก็จะมีเสียงกลนที่ที่ได้ยินก่อนหน้าเข้าโรงพยาบาลสักสองสาครั้งซึ่งตอนนั้นก็เราก็รู้สึกว่าโอ้หลายปีมาไม่ได้ยินหลวงพ่อกลนเลยนะก็มากลน่นตรงนี้ก็รู้สึก มีความผิดปกติท่านอนของหลวงพ่อก็จะแบบว่าเป็นท่านอนที่แบบเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยท่านอนที่เรียบร้อยสะบงจีบอลสะบงต่างๆนะก็ดูเรียบร้อยมือไม้แข้งขาเนี่ยเรียบร้อยมากเลยนะฮะเรียบร้อยมากเลยหลวงพ่อเวลาตื่นเนอะหลวงพ่อจะตื่นแบบ เคยเห็นหลวงพ่อตื่นแบบที่เหมือนกับหลับไม่รู้สึกตัวอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนอกจากนั้นนี่เวลาที่ปลุกหลวงพ่อเนี่ยจะใช้วิธีแตะแตะเบาๆแตะเบาๆ <c oughs> มีคน <c oughs> ครั้งหนึ่งก็มีไม่ใช่ครั้งหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก็หลายครั้งที่มีคนมามาขอ พบหลวงพ่อตอนกลางดึกอย่างเงี้ยเนาะก็จะใช้วิธีแตะแตะแตะที่ต้นแขนหลวงพ่อเบาๆแตะเบาๆนิดหนึ่งก็กลาว่าถ้าหลวงพ่อไม่รู้ตัวก็คือจะไม่จะไม่ปลุกอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าครั้งแรกที่ใช้วิธีนี้คือแตะเบาบางหลวงพ่อก็ลืมตา <laughs> ห้าวทุ่มกว่าแล้ว <laughs> หลพาพก็ลืมตาสบายๆไม่ได้ตก อ, อกตกใจอะไรอะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นก็เรียนหลวงพ่อว่ามีธุระนั้นนี่หลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดูแบบว่าเรียกว่าไม่ต้องจัดแจงตัวเองอะไรมากก็พร้อมที่จะรับแขกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นหลวงพ่ออยู่ตลอดนะฮรผ่านไปจะเป็นวันเป็นปีอลไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะ คือหลวงพ่อก็จะอยู่กับเรียกว่าอยู่กับมีสติอยู่กับทุกอิริยาบถเนอะมีสติอยู่กับทุกอิริยบทแล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเนี่ยเวลาที่หลวงพ่ออยู่คนเดียวก็ดีเวลาที่หลวงพ่ออยู่กับคนอื่นก็ดีอะไรอย่างงี้นะหลวงพ่อก็จะแบบว่าดูจัดแจงตัวเองแบบเรียบร้อยมากๆนะอย่าง ที่อยู่กับหลวงพ่อมาเวลาที่หลวงพ่อจัดการเรื่องราวของตัวเองก่อนนอนจะเป็นการวางแป้นก็ดีจะเป็นการวางปากกาการวางวัตถุสิ่งของที่หลวงพ่อใช้ก่อนหน้าที่จะนอนเนี่ยหลวงพ่อก็จะวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือเรียกว่าถ้าเกิดล่วงลับไปในคืนนั้นก็ไม่เหลืออะไรให้เราต้องจัดการนะต้องเรียกอย่างนั้นก็ เรียบร้อยไม่เหลือต้องเรียกว่าคือทําเสร็จทําเสร็จจะเขียนหนังสือจะแรงตานานาเหล่านก็ทําเสร็จจะฉันยาจะแรงตานานาเหล่านี้ก็ปิดกระปุกอะไรอะไรตานานาเรียบร้อยวางเข้าวังของต่างๆตรงนี้ก็จะเห็นว่าหลวงพ่อก็ตั้งใจนะไม่มีการแบบว่าเผลอวางไม่มีการเรียกว่าแบบเอาออกไป เอาอันนั้นออกไปเพราะไม่ถูกใจเอาอันนี้ออกไปเพราะไม่อยากเห็นหรืออะไรต่างๆนานาแต่หลวงพ่อจะหยิบจับทุกอย่างแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับพอเวลาที่วันหลังหลวงพ่อบอกว่าเห็นอันนี้ของหลวงพ่อไม่หลวงพ่อวางไว้ตรงนี้อะไรตาา่รางๆนานาหลวงพ่อก็จะมีคําที่บอกว า, วางเอาไว้ตรงนี้ซึ่งเราก็จะเหมือนกับได้ทันเห็น บางทีก็มีการเคลื่อนย้ายของหลวงพ่อโดยที่เราไม่ทราบไม่เห็นหรือเรื่องตานานาเหล่านี้ไม่ก็อะหลวงพ่อก็จะถามข้าของเครื่องใช้ของหลวงพ่อก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเนาะหลวงพ่อไม่มีข้าของเครื่องใช้อะไรมากก็เป็นพระธรรมนาธรรมนาที่มีจีวอลชุดหนึ่งนะอย่างนั้นมีจีวอลชุดหนึ่งก็หลวงพ่อก็จะใช้มี ทายที่สุดนี่เนาะก่อนหน้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหลวงพ่อก็ยังขอเข็มขอได้นะ <c oughs> จีบอลมีรอยขาดหลวงพ่อ <c oughs> ก็สอนพวกเราตอนที่เวลาที่บวชเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าจีบอลเนี่ยให้ระวังวันบวชเลยละวันบวชหลวงพ่อก็จะบอกกับแม้แต่ผู้ที่บวชใหม่ทุกคนนะเรื่องนีนะ้ระวังอย่าให้เหม็นสาบเหม็นข้าว ระวังอย่าให้มีรอยขาดเวลามีรอยขาดก็ให้ปะให้ชุนอะไรต่างๆหลวงพ่อก็ยังคงทําเช่นนี้ตลอดนะไม่เคยไม่เคยได้มีโอกาสทําถวายหลวงพ่อเลยนะฮะเพราะเด็กจากว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันมีปัญหาแล้วก็หลวงพ่อทิ้งไว้ให้เราจนต้องถามช่วยเหลือหลวงพ่ออะไรไม่มีนะก็จะมีว่าพอหลวงพ่อเห็น สิ่งที่บกบก พ, พร่องๆอะไรอยู่หลวงพก็จะจัดการทันทีนะอย่างนั้น <c oughs> คือตรงนี้เนี่ยก็นึกถึงสิ่งหนึ่งก็คือนึกถึงสิ่งที่เราเคยได้ยินเนาะคำครูบาอาจารย์ที่บอกว่ากิจอื่นนะที่ต้องทํา <c oughs> ไม่มีอีกแล้วอะไรอย่างนี้นอย่นั้นคือตรงเนี้ยก็เราก็มีความรู้สึกว่าคือ กิจที่จําเป็นขหลวงพ่อก็ทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรก็ตามที่แบบดูถ้าจะมีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่สมหลวงพ่อก็จะทําทันทีเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่หลวงพ่อจําเป็นต้องทําหลวงพ่อก็ทําเสร็จมาตั้งแต่หลวงพ่อก็บอกว่าสี่กว่าปีแล้วเนาะอย่างนั้นวันนั้นสี่สิบปีที่แล้วมาเป็นวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดอยู่เสมอๆนะ คำสอนของหลวงพ่อก็จะเป็นคำสอนที่หนักแน่นมั่นคงมาตั้งแต่ตอนนู้นนะจนกระทั่งถึงตอนนี้นั้นนั่นคือตรงนี้ก็เราก็มั่นใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่างานการของหลวงพ่ออาจจะล้มเหลวนะแต่ชีวิตหลวงพ่อไม่ล้มเหลวนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อรับผิดชอบตัวเองเรื่องกรรมฐานหลวงพ่อก็ไม่ว่าทําสําเร็จเรียบพ้อยแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคืออะไรต่างๆนาน า, นาที่หลวงพ่อเห็นไม่เหมาะไม่สม จะเป็นครั้งหนึ่งเนาะแบบขับรถเข้ามากับหลวงพ่อนู่นก็ปีสีต้นปีสีเจ็ดสี่แปดนู่นนะนั mm ้น hmm. ฝนตกนะถนนก็แบบว่ามีรอยหลุมเมื่อเมื่อก่อนนู่นถนนเข้าวัดจะเป็นดินแดงนะมีหลุมมีน้ำอยู่หลวงพ่อก็บอกแบบว่าจันตุ้มจันตุ้มจอดรถจอดรถตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อลงตรงนี้ละ ก็เอหลวงพ่อจะลงทําอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะอย่างนั้ น, น, นก็เข้าประตูมาหรือเ่าปรากฏว่าหลวงพ่อก็ลงขอลงตรงนั้นก็เราก็ขับรถเลยเข้ามาจอดข้างในมองกระจกหลังเห็นหลวงพ่อก็เดินไปคว้าจอบมานะฮะแล้วก็มาขุดดินมาถมที่น้ําขังเพราะหลว่าบอกว่าถ้าปล่อยให้น้ําขังอ ย, อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพอรถขับไปขับมามันก็จะเป็นหลุมมากขึ้นมากขึ้น หลวงพ่อก็จะแบบนี้นะฮะอย่างนั้นคืออะไรก็ตามที่เห็นไม่ดีไม่งามเห็นมีปัญหาหลวงพ่อก็จะแก้ปัญหาทันทีนะอย่างนั้นจะไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องราวอะไรที่แบบว่าบานปลายไปใหญ่โตตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราได้เห็นเห็นหลวงพ่ออยู่ในอีเดียบทต่างๆ หลวงพ่อบอกอยู่เนาะตั้งแต่ก่อนบวชหลวงพ่อพูดอยู่บอกว่าเวลานอนเนี่ยอย่าให้ใครรู้ว่าเรานอนที่ไหนไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไปแอบไปซ่อนนอนที่ไหนนะไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่าพอเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแบบว่าพวกเครื่องนอนเหล่านี้จะเก็บเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะเก็บแล้วถ้าพูดง่า ย, ายๆก็เก็บไม่เหลือซาก นั้นนั่นคือตรงนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็ทําทําตลอดมาต้งเรียกว่าอยู่กับหลวงพ่อนี่ไม่เคยทําถวายหลวงพ่อนะฮะอาจจะมีแค่บางวันที่มีโอกาสหลวงพ่อเข้าห้องน้ําก่อนบ้างก็มีโอกาสพับผ้าหม่มพับจัดที่นงที่นอนให้หลวงพ่อบ้างแต่นอกเหนือจากนั้นนี่หลวงพ่อก็ทําเองตื่นปุ๊บหลวงพ่อก็ทําปั๊บตื่นปุ๊บหลวงพ่อก็ทําปั๊บเมืม่อวันก่อนนี้ที่ท่านอาจารย์าได้พูดให้ฟังถึง แม้วันสุดท้ายของหลวงพ่อนะในช่วงสุดท้ายสุดท้ายหลวงพ่อก็อยังพับพผ้ะห่มเองนะฮะอย่างนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยเรื่องที่เวลาที่มีคนบอกว่าตัวเองตัวเราเองเป็นพระอุ ป, ปถาหลวงพ่อนี่โดยในใจนี่ก็ปฏิเสธรุ่นวายนะไม่ได้อุปถาหลวงพ่อเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าหลวงพ่อก็ ได้ทำสิ่งต่างๆที่เราก็นึกไม่ถึงนะอย่างเรื่องการซักผ้านะฮะก็จนท้ายสุดนี้หลวงพ่อก็ยังซักผ้านะฮะซักผ้าด้วยตัวเองหลวงพ่อจะซักเวลาที่หลวงพ่ออยู่ในห้องน้ําแล้วหลวงพ่อก็ซักผ้าอาบน้ำเนาะหลวงพ่อจะมีมีบางครั้งน ะ, ะที่หลวงพ่อใช้ผ้าผ้าอาบน้ําเนี่ย ซักแล้วหลวงพ่อพก็จะเช็ดนะแบบว่าอ่างล้างหน้าโถส้วมนะฮะพื้นห้องน้ำอะไรต่างๆนานานเหล่านี้เนี่ยด้วยผ้าอับน้ำจนแบบว่าแบบมันสะอาดถูกใจหลวงพ่อเนาะนหลวงพ่อพก็ค่อยซักผ้าอันนั้นแบบแขวนตากต่อก็ <laughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ที่พวกเราอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันได้เห็นนะเนื่องจากว่า ก็ได้อยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ได้สังเกตเรื่องราวพวกนี้นะได้สังเกตหลวงพ่อทําอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะว่ า, าตรงนั้นก็อันหนึ่งก็เราก็เหมือนกับว่าก็ได้เก็บเอามาเป็นความประทับใจแลอีกอันหนึ่งก็เก็บเอาไว้เป็นเรื่องที่เราเองเราก็เคารพนับถือหลวงพ่อเนาะเราก็อยากทําอะไรก็ตามอย่างที่หลวงพ่อทํา ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกก็ได้เห็นการเรื่องการอ่าเขาเรียกว่าการสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมหลวงพ่อจะบอกบอกว่าเวลาที่หลวงพ่อมีเวลาที่จะเดินจงกรมก็ดีในเวลาที่จะสร้างจังหวะก็ดีในรูปแบบ14จังหวะเนี่ยหลวงพ่อจะบอกบอกว่า นี่เป็นอดิเลกลาบเพราะว่าหลวงพ่อก็จะเหมือนกับใใคล้ยๆว่าก็จะไม่ได้จะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเนาะไม่ได้อยู่ในรูปแบบหลวงพ่อก็จะเขาเรียกว่าช่วยโอกาสอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าชั่วช้างกระดิกหูชั่ว ง, งูแลบลิ้นก็เอาตรงเนี้ยคือหลวงพ่อก็บอกว่าขอให้เราเนี่ยเฉวยโอกาสทุกๆ ทุกๆขณะเนาะที่มีโอกาสที่จะคอยรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือเนี่ยการที่จะหลวงพ่อจะนั่งเนาะสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆก็จะมีตอนหลังๆเนาะในช่วงก็เรียกว่าสองสามปีหลังนี้บางทีก็อย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยหลวงพ่อจะส่งน้าตั้งแต่บางทีตั้งแต่สามโมงกว่าสี่โมงอะไรต่างๆนาน า, นาแล้วก็ ในกาพอมันมืดมืดเร็วนะหลวงพ่อก็จะบอกหลวงว่าเตรียมตัวนอนแล้วนะหลวงพ่อก็พูดแบบนี้นะพูดไปก็หัวเราะไปหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพา่าจะเตรียมตัวนอนแล้วนะแล้วหลวงพ่อก็นั่งนะฮะนั่งสร้างจังหวะสบายๆ ส, สักพักหนึ่งนะแล้วหลวงพ่อก็นอนก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นภาพที่ เรียกว่าเราก็ได้เห็นหลวงพ่อก็เหมือนกับคล้ายๆว่านานๆก็จะสร้างจังหวะให้เราได้เห็นสักทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นเป็นประจำก็คือการที่หลวงพ่อจะอยู่กับความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเนาะที่หลวงพ่อก็ทำอยู่ทุกคนก็ได้พูดนะท่านอันก็ได้พูดถึงหลวงพ่อก็จะมีอิริยาบถเล็ก ๆ, ๆน้อยๆในช่วงที่ หลวงพ่อป่วยในช่วงสุดท้ายนี้ต่างๆ ต, ตรงนั้นก็ได้เห็นตลอดเนาะการที่หลวงพ่ออยู่กับความรู้สึกตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนาะ mm hmm. ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนไม่ว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นนะได้เรียกว่าเห็นตลอดมาอย่างในช่วงป่วยเมื่อปี49เนี่ย ก็จะได้ยินเสียงเคาะได้ยินเสียงเคาะพื้นเป็นจังหวะจังหวะหลวงพ่อจะตื่นปกติเนี่ยหลวงพ่อจะตื่นตอนประมาณสักตีสองตีสองกว่าถือว่าเป็นเวลาที่หลวงพ่อตื่นต้องเรียกว่าเป็นประจำแม้ในบันทึกของหลวงพ่อในช่วงที่หลวงพ่อไปสารลัฐหลวงพ่อ เดินทางเนาะแบบว่าออกจากที่พักตอนเจ็ดโมงเชา้าไม่ไม่ใช่เดินทางออกจากที่พักขึ้นเครื่องบินตอนเจ็ดโมงเชา้าเนาะแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางตอนเย็นมีปฏิสันฐานต่างๆนานาจนถึงสี่ทุ่มเนาะมันลุ้งขึ้นเหรอพ่อก็บอกแบบว่าแล้วก็เขียนบันทึกอะไรมาวันนี้ตื่นตีสองครึ <laughs> รู้สึกตัวเต็มที่หลวงพ่อก็จะอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะหลวงพ่อจะนอนดึกหรือหลวงพ่อจะอะไรไงก็ตามเนี่ยหลวงพ่อก็จะตื่นตื่นเวลานี้ในตอนป่วยปีสี่เก้าก็ดีในตอนป่ว ย, นะ ต, อวยตอนนี้ก็ดีแล้วก็เห็นหลวงพ่อก็ไดตื่นเนาะตื่นในเวลาประมาณขนาดนี้อย่างเนี้อยอยู่เป็นประจำแต่ว่านั่นคือหลวงพ่อก็ บางทีอาจจะเหมือนกับเกรงใจคนที่อยู่ด้วยอย่างนี้นะบางทีหลวงพ่อก็จะเหมือนกับสร้างจังหวะเล็กๆน้อยๆนะด้วยการเคาะเคาะเตียงบ้างเอันนี้ไม่ใช่เคาะดังจนกระทั่งเรียกให้เราตื่นนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเคาะให้เรารู้สึกว่าได้ยินเสียงที่เป็นจังหวะจังหวะอย่างตอนที่ป่วยคราวที่แล้วเมื่อปี4ี่เก้านะ ก็บางครั้งหลวงพ่อก็มีการออกเสียงออกเสียงเป็นอืมอืมอืมอืก็มีอยู่มีอยู่หลายวันที่หลวงพ่อออกเสียงแบบนี้นะก็เข้าใจว่าหลวงพ่ออาจจะไม่มีแรงที่จะขยับหรือยังไงสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลวงพ่อก็จะสร้างจังหวะ ผ่านเสียงตรงเนี้ยก็ได้เห็นอิทธิบทพวกนี้อยู่ตลอดเนาะอย่างคราวนี้มีการผ่าตัดมีการผ่าตัดก็หลวงพ่อก็พูดนะขึ้นชื่อว่าแผลไม่เจ็บไม่มียิ่งผ่าตัดใหม่ๆนะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อจะอยู่กับอะไรนะก็ต้องอยู่ความรู้สึกตัวนี่แหละไม่รู้จะอยู่กับอะไรยังไงดีแต่ว่าเราก็จะได้เห็นนะการจังหวะ การเปลี่ยนจังหวะของหลวงพ่อหลวงพ่อในช่วงนั้นหลว่าก็จะเหมือนกับว่ากระดิกนิ้วนะกระดิกนิ้วเร็วเป็นพิเศษซึ่งตรงนั้นเราก็คิดเอาเองนะดูแล้วก็คิดเอาเองว่าน่าจะเจ็บนะแผลผ่าตัดเยอะอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกับว่าท่าธรรมดาหลวงพ่อก็จะทำเบาๆนะ แต่บางเวลาบางเวลาซึ่งเราประเมินประเมินดูก็ ค, คิดว่าไม่น่าผิดว่าเข้าใจไม่น่าผิดเมื่อว่าหลวงพ่อเองก็จะบอกนะบอกว่าเหมือนกับว่าการสร้างจังหวะเนี่ยก็ให้เราปรับเนาะให้เราปรับตามเหมาะสมไม่ใช่ว่าต้องช้าหรือเร็วถึงจะดีก็ให้ดูเหมาะสมตามเหมาะสมเวลาไหนควรช้าก็ช้าเวลาไหนควรเร็วก็เร็วนะอย่างนั้นแต่นั่นคือหมายถึงว่าถ้าเราไปเอาใจใส่ ท่าทางว่าจะเป็นช้าว่าจะเป็นเร็วตรงนั้นน่ะหลวงพ่อจะบอกบอกว่าอันนั้นอย่าไปติดนะอย่าไปติดที่รูปแบบให้ตรงก็ไปที่ความรู้สึกตัวนั่นะนั่นคือตรงนี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยังไงก็ตามเนี่ยจะเป็นช้าเป็นเร็วหลวงพ่อก็จะปรับตามสถานการณ์ต่างๆที่หลวงพ่อเห็นเหมาะสมนะนั้นคือตรงนี้ก็ให้พวกเราก็ดูนะ หลวงพ่อจะบอกนะบอกว่าเวลาที่ตั้งจังหวะกันอย่าเหมือนกับว่ า, อ ย, า อ, ย อ, อย่าอยู่ในอืมอย่าอยู่ในถ้าพูดง่ายๆนะเหมือนกับว่าอย่าอยู่ในสปีดนั้นนนานๆให้จัดใบหน้าท่าทางต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนะเพื่อให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ หลุดเข้าไปกับความเคยชินบางครั้งเราสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับจังหวะเดิมอยู่กับท่าทางเดิมๆนานๆเนี่ยแบบว่าความคิดเอาไปกินหมดละความรู้สึกตัวหายไปละเพราะนั้นนั่นคือการจัดใบหน้าท่าทางต่างๆนานๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะได้กลับมามีสติสำรวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า หลวงพ่อก็จะแนะนำเนาะในรายละเอียดต่างๆหลวงพ่อเองก็ได้ทำตรงนี้ให้ดูตลอดเนี่ยก่อนที่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะได้เห็นภาพเนาะที่ที่พวกเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะเนื่องจากว่าเ ป, เป็นเวลาที่ เวลาพักกันเวลาอะไรต่างๆนานๆเหล่านี้แยกย้ายกันอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับก็อาศัยหลวงพ่ออยู่มาตลอดหลายปีเนาะก็อาศัยกุฏิหลวงพ่ออยู่ไม่ได้มีกุฏิของตัวเองนั่นนั่นคือก็เลยได้ทันเห็นหลวงพ่อทำนู้นทำนี่อลไรต่างๆนานานะก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เนี่ยอย่างเรื่องดื่มน้ำเนาะดื่มน้ําก่อนก่อนเข้าห้องน้านี่ก็ จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็แนะนำเนาะแนะนําหลวงพ่อก็จะแนะนำหลวงพ่อก็จะบันทึกเอาไว้เนาะตั้งแต่ปีสามหกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หลวงพ่อตื่นมาปุ๊บก็จะดื่มน้ําก่อนซึ่งก็ตรงนี้ก็ในช่วงท้ายๆนี่หลวงพ่อก็ยังคงทําอย่างนั้นเนาะหลวงพ่อก็ยังคงทําอย่างนั้นตลอดตลอดมาจนกระทั่งว่าเมื่อไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้ด้วยตัวเองต้องรอน้ําจากพวกเราเนี่ยตรงนี้ก็ บัปฏิบัติที่คุณเคยตรงนั้นก็หายไปนะ น, น, นในส่วนที่อยู่กับหลวงพ่อตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นเนาะหลวงพ่อเวลาที่อยู่อยู่คนเดียวนะหลวงพ่อก้องงดงามเวลาที่อยู่ ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันหลวงพ่อก็จะระมัดระวังเนาะอย่างบางทีหลวงพ่อลุกขึ้นเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะหลวงพ่อจะย่องย่องกลัวเราตื่นอย่างเงี้ยนะแปลว่าจะย่องย่องก็บางทีก็แอบบแอบบมองหลวงพ่อ<笑><笑>ก็แม้กระทั่งช่วงป่วยคราวนี้หลวงพ่อก็ยั ง, ยงะะอย่างนี้นะฮะอย่างนั้น ในช่วงสองเดือนสุดท้ายหลวงพ่อเข้าห้องน้ำหลวงพ่อก็ยังพยายามที่จะไม่รบกวนพวกเราอย่างนี้อย่างนั้นการที่จะอยู่กับใครหรืออะไรต่างๆ ต, นนตรงเนี้ยหลวงพ่อก็จะแบบต้องต้องเรียกว่าหลวงพ่อรับผิดชอบเ น, ะนาะหลวงพ่อจะพูดอยู่คํานึงก็คือหลวงพ่อรับรองได้ว่าหลวงพ่อจะไม่ทําให้ตัวเองทุกข์หลวงพ่อรับรองได้ว่าหลวงพ่อจะไม่ทําให้คนอื่นทุกข์ตรงเนี้ย ก็เห็นก็ต้องเรียกว่าเห็นภาพนี้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นนับไม่ว่าจะเป็นตื่นไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็เห็นมาตลอดเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีการจัดอาหารมาถวายหลวงพ่อเนาะแล้วก็ไม่มีช้อน นะไม่มีช้อนมาหลวงพ่อก็ไม่ขอนะ<笑><笑>ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราก็เห็นเห็นภาพแบบนี้อย่างเรื่องการเรื่องการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแม้ในบันทึกนะที่หลวงพ่อบันทึกตั้งแต่ปีสามหก ปีนั้นหลวงพ่อไปไอเมริกากับพระจันยุกิหลวงพ่อก็ยังพูดถึงเรื่องการตื่นหลวงพ่อตื่นแล้ววันนี้ข้างนอกเนี่ยมีคนเยอะนะไม่กล้าลุกขึ้นมาเดินจงกรมตามเวลาปกติเวลาปกติก็คือตั้งแต่ตีสอง ก, กว่าหรือตีสามเลยนับตานา น, านานาที่หลวงพ่อพร้อมนะหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็นอนนอนรอเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อ บอกว่าบุเหมือนห้องพักจะแคบแล้วก็ถ้าเกิดว่าลุกขึ้นมาเดินจงกรมในช่วงเวลาที่หลวงพ่อเคยเดินปกติเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าบบกวนพระจันยุ ก, กิตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อก็ได้นึกถึงในท้ายที่สุดที่มีการพูดกันว่าหลวงพ่อก็แบบว่ายกมือขอบคุณพวกเราทุกครั้งที่ ที่พวกเราได้เหมือนกับว่าได้ถวายยาหลวงพ่อก็ดีได้ถวายการทำแผลหลวงพ่อก็ดีได้ใน ต, นต่างนานาเรา น, นี้ก็ดีตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าหลวงพ่อก็เอาใจใส่นะต้องเรียกว่าเอาใจใส่คนอยู่ด้วยตรงนี้ก็ได้เห็นตลอดมาครั้งหนึ่งก็ไปพักไปพักที่พุทธมนตนมีการสอนทำกันสุขเสาร์อาทิตย์ ที่พุทธมนทน์ก็จะใช้มุงครอบแล้วก็ตัวมุงครอบก็จะมีตัวตัวปลอกพลาสติกที่เป็นตัวใส่มุง้งตัวปลอกพลาสติกเนี่ยถ้าหากว่ามันจะเป็นพลาสติกรกรอบๆเนาะถ้าเวลาที่เราเหมือนกับว่าใส่ไม่ดีเวลาพับมุ้งเก็บเนี่ยใส่ไม่ดีเนี่ยมันจะดังกรอบๆกับแกร บ, กร บ, กร บ, กรบมากๆเลยอย่างเงี้ยก็มีพระ เนาที่อยู่ด้วยกันในบริเวณนั้นหลายรูปที่พอตื่นขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวนั้นก็เสียงก็ดังกรบๆแกรบเสียงดังเลยนาะแต่พอเราสังเกตหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะทําแบบว่าไม่มีเสียงเลย <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นก็เรียกว่าคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อทำนะหลวงพ่อพูดในสิ่งที่หลวงพ่อทําหลวงพ่อทําในสิ่งที่หลวงพ่อพูด ตรงานี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าได้เห็นได้เห็นสิ่งต่นางๆ น, น, นานาตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลาตื่นนะฮะดูงดงามตลอดนะได้การที่หลวงพ่ออยู่กับความรู้สึกตัวตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเวลาที่หลวงพ่อสบายดีไม่ว่าจะเป็นมุเวลาที่หลวงพ่อป่วยหรือแม้ว่าจะเป็นเวลาที่หลวงพ่อกําลังจะหมดลมก็ตามอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เราก็จะได้เห็นว่าหลวงพ่อก็จะ กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวการกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อก็จะถามพวกเราเนาะกลับมาได้แล้วหรือยังกลับมาเป็นไหมอย่างเนี้ยนะอย่างนั้นคือนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนพอสอนปุ๊บเนี่ยใช่ไ้มก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพวกเราก็ต้องหัดกลับมากลับมารู้สึกตัวกันกลับมาจากไหนกลับมาจากการที่เราหลงไปกับความคิดนี่ใช่ไหมฮะอย่างนั้น ท่าลงไปกับความคิดเนี่ยเราไม่มีการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยโอ้จะคิดไปนะฮะหลายเรื่องมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็บอกบอกว่า <c ười> คิดไปเนี่ยแบบเห็นหน้าผู้หญิงแบบว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ในความคิดนะ่ะก็ไปจบลงที่แบบว่าจูงมือกันแล้วก็จูงลูกไปด้วยบางทีความคิดก็ไปได้ขนาดนี้จริงๆนะอย่งนั้น ไปได้หลายหลายเรื่องนะฮะอย่างนั้นเาะ่อนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมาพอเวลาที่เราไม่มีเครื่องมือเนาะที่เรียกมาความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะถูกก็เรียกว่าเวลาที่คิดเนาะที่ทําให้เราทุกข์นะโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราไหลไปอยู่ความหลงเนี่ยจะเป็นโอ้กินเวลาก็เรียกได้ว่าทั้งหมดของชีวิตอย่างที่บอกว่าสี่สิปีเนาะ ที่ก่อนที่จะเจอหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอยู่กับความหลงตลอดอย่างเต็มๆไปหมดเาะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็พอได้มาอยู่กับหลวงพ่อตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ไม่คิดจะสแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นอีกเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าคําว่ารู้สึกตัวของหลวงพ่อเนี่ยก็สามารถที่จะเราก็เริ่มต้นกันได้เลยเนาะเติมคำรู้สึกตัวเข้าไป กับการยกมือแต่ละครั้งยกมือแต่ละครั้งจังหวะ14จังหวะเนี่ยเนาะกรรมสิบจังหวะเนี่ยพวกเราซอยความรู้สึกตัวเป็น14ครั้งกันหรือเปล่าเนาะตรงเนี้ยถ้าพวกเราซอยความรู้สึกตัวเป็น14ครั้งเนี่ยนลวาพก็จะบอกอว่าเราก็จะรู้ตัวกันเนาะวินาทีละครั้งวินาทีละครั้งตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ถ้าหว่าพวกเราได้ทําแบบนี้เนาะแบบว่านี่ก็จะเป็นการที่เราหัดรู้สึกตัวเริ่มต้นเนาะ แล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกอินเยบทอันนี้เนะเวลาหลงไปคิดเนี่ยกลับมาได้แล้วหรือยังกลับมาเป็นไหมอย่างนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นโจทย์เนาะเป็นโจทย์ให้กับเราต่อๆมาหรือว่าพอเวลาที่เป็นกรรมฐานเราชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นหลวงพ่อก็บอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นพรหมจรรย์เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์แล้วอย่างเงี้ย่างนะ ในวัดท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ให้กลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้เนาะว่าเราก็เห็นในวินาทีสุดท้ายของหลวงพ่อเซลวินาทีสุดท้ายหลวงพ่อก็กลับมารู้สึกตัวอย่างงดงามเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็เริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวเนาะแล้วก็จบลงที่ความรู้สึกตัวเดี๋ยวพวกเราก็กลับหาพร้อมกัน